ธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องในโอกาสต่อไปญาติโยมทั้งหลายได้พบญาติโยมได้เห็นในวันนี้ทำให้ได้หวนระลึก ถึงในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยยังมีพระชนอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตังระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว 2, สองพรรษากับ4พันษาพระเจ้าสุดโทธนะพระพุทธบิดาได้ส่งทูตมาทูลเชิญพุทธเจ้าสเสด็จกลับกรุงกบินละพัุ โยมทั้งหลายในพระไตรปิฎกในอัถกถาเป็นต้นได้เล่าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกระบิละพัดเอาไว้น่าประทับใจเหลือเกินวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงเขตแคว้นสักกะพระเจ้าสุดโทธนะก็ดีกษัตริย์ฝ่ายโกริยวงศซึ่งเป็นฝ่ายพระมารดาก็ดี ได้ตเตรียมผู้คนออกต้อนรับเสด็จพระพุทธเจ้าโดยให้ชาวเมืองทั้งหมดนั้นแะแต่งชุดสีขาวแล้วก็สมาทานศีลอุโบสถตั้งแถวต้อนรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นวันนั้นเป็นวันที่ชาวเมืองชาวแคว้นทั้งสองแคว้น ทั้งแคว้นสักกะและแคว้นโกริยะพากันแต่งชุดขาวกันทั้งเมืองเลยเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัท ด, ดังนั้นวันนี้เมื่อได้เห็นญาติโยมแต่งชุดสีขาวและเมื่อสักครู่นี้โยมที่ยังไม่ได้ถือศีลตั้งมาตั้งแต่เช้าก็แดงรับศีลแปดด้วยก็เลยทาให้หวนระลึกว่าอ๋อกิจกรรมอย่างนี้ มีมานานแล้วก็เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าใส่ชุดขาวถือศีลแปดมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรสัสงรู้ใหม่ๆนูน่นไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีณนะประเทศไทยเท่านั้นสมัยก่อนก็มีมานานแล้วถ้าจะนับเป็นช่วงเวลาก็ 2,500 กว่าปีมาแล้ววันนี้ท่านเจ้าคุณ ได้นิมนต์ให้มาเทศให้โยมฟังบอกว่าหัวข้อที่จะฟังวันนี้ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจก็เลยถามท่านว่าเตรียมตัวเตรียมใจทําอะไรท่านอาจารย์บอกว่าโยมที่มาถือศีลบวชวันนี้อีกสองวันก็จะถึงวันมาค่บูชานะก็ลองมาพูดคุยให้ญาติโยมฟังหน่อยว่าการเตรียมตัวต้อนรับวันมาค่บูชาที่จะเวียนมาถึง รอบเท่ากี่ปีแล้วก็ไม่ยังรู้โยมพอจะจําได้ไหมว่าวันมาคบูชาเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครบรอบกี่ปีมาแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าไม่รู้ว่ากี่ปีจะนับให้ฟังนะหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้แล้วหนึ่งพันษาได้เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชครื้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ก็คือแคว้นเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสสังรู้นั่นแหละแคว้นเดียวกันถ้าจะถามว่าระยะห่างจากต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสสังรู้ไปถึงเมืองราชคฤห์เนี่ยระยะทางเท่าไหร่ถ้าตามถนนรถวิ่งก็ประมาณ82กิโลเมตรถ้าเดินตัดลัดไปก็64กิโลเมตรไม่ไกล 64กิโลเมตรเนี่ยถ้าเราเดินเท้าเปล่าก็สองวันพอดีพอดีถึงวันละสิวันละ30กิโลแต่ถ้าคนที่จะเดินไม่ไหวก็น่าจะเดินได้สักวันละ15กิโล4วันหวันก็เดินพระพุทธเจ้าเสด็จถึงลัทธิวันสวนตาลหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารได้นำพระศพนิกรชาวเมืองราชเครือออกมาต้อนรับเสด็จพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวารหนึ่งแหนึ่งห0 0 0คนบรรลุเป็นพระโสดาบันเหลือหนึ่งหมื่นคนไม่บรรลุเมื่อบรรลุธรรมแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้กราบราตนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชครืแล้วได้สร้างวัดโดยสละราชอุทยานชื่อว่าเวลุวัน ถวายไว้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและในปีเดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่บนยอดเขาคิดชะกุดห่างจากวัดพระเวรุวันไปประมาณ7กิโลเมตรณที่นั่นพระพุทธเจ้าได้สาวกสองคนบรรลุเป็นพระเรียบุคคลคือพระมหาโมคคลานะบรรลุธรรมก่อน พระสารีบุตรบรรลุธรรมวันเดียวกันนั้นเลยวันเดียวกันกับวันที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมในช่วงเช้าช่วงบ่ายพระพุทธเจ้าได้พาพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลานะเนี่ยสเสด็จไปที่วัดพระเวรุวันพอสเสด็จไปถึงก็มีพระอังริยาสาวกมาชุมนุมพร้อมกันอยู่แล้ว นับรวมกันทั้งภาษางรีบุตรและพระโมคคลานะด้วยเนี่ยก็นับจำนวนรวมทั้งหมดได้ 1,250 องค์ภิกษุอังรหันตสาวกมาชุมนุมกัน 1,250 องค์ในวันนั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาที่ได้รับการบวชต่อพระพักพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นผู้ได้เป็นพระอังริยะบุคคลทั้งหมด เป็นผู้ได้อภินยาทั้งหมดวันนั้นเป็นวันเพนเดือนสามเขาเรียกว่าวันมาฆปุรณีดิถีมาฆเป็นชื่อกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งปุรณีแปลว่าดวงจันทร์เต็มดวงดิถีแปลว่าวันวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงแล้วมีกลุ่มดาวชื่อว่ามาฆมาโคจรอยู่ใกล้ ก็เลยเรียกวันที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชานี้ว่าเต็มๆว่าวันมาฆปูรณีดิถีวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยดาวมาฆเลิกนั่นเองวันนี้แหละเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าเออเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะได้แสดงธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้ภิกษุอรหันตสาวกทั้งหลายนำไปเป็นแนวทางในการประกาศหลักพระศาสนาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสโอวาทภาติมโมกเมื่อสักครู่นี้นะลูกศิษย์ลูกหาก็ได้นำแผ่นกระดาษไปแจกญาติโยมคนละใบคนละใบในหัวข้อความนั้นก็บอกว่าวัดพระเวรุวันกรุงราชครื แล้วก็มีโอวาทปาติโมกด้วยไอ้ที่แจกให้เนี่ยเพื่อจะให้โยมดูประกอบไปพร้อมกับการฟังธรรมในวันนี้นะถ้าใครได้รับไปแล้วพับเก็บเรียบร้อย ก, ก็นําออกมากลางออกดูประกอบไปพร้อมๆกันกเพื่อจะให้ได้ความรู้อย่างครบถ้วนถูกต้องแน่ๆใครยังไม่ได้ก็ลองยกมือขึ้นนะลูกศิษย์ลูกหาจะนําไปแจกเอาดูซิมีโยมที่ยังไม่ได้เป็นเอกสารประกอบการรับฟัง เพบางทีเราฟังฟังไปฟังแล้วก็แล้วไปกลับไปก็เอ๊ะอะไรบ้างนะวันเนี้ยก็จําไม่ได้อีกจะได้นําติดตัวไปนั่งรถกลับบ้านสามวันผ่านไปว่างเมื่ อ, อไรคนข้างๆคุยกันแล้วเกาหยิบออกมาอ่านดูนะจะได้ไม่คุยกับเขาญาติโยมทั้งหลายเมื่อกี้อัตมาบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหนึ่งปีหนึ่งปี น, งปนะ ยังไม่ครบปีดีโดยซ้ำพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้วันวิสาขบูชานี่เวียนมาถึงวันมาฆบูชาเนี่ยก็นับรวมรว ม, รวมกันว่า10เดือนก็แล้วกันหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้แล้ว10บเดือนพระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชานับตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยอมก็นับอย่างนี้ปีนี้เป็นปีนับ การตังรินิพานของพระพุทธเจ้ามาแล้ว 2,552 พระพุทธเจ้าตรัสสังรู้มีพระชนมายุเป็นพระพุทธเจ้าอยู่45ปีตรัสสังรู้แล้วหนึ่งปีจึงแสดงโอวาทปาธิโมกในวันมาคบูชาเราก็ตั้งเลข 2,552 บวกกับ44เข้าไป ก็จะได้รู้ว่าวันมาคบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากี่ปีแล้วโยมนับเรียบร้อยได้ตัวเลขออกมาเป็นเท่าไหร่ 2,900 2 5เ6อ้าปีมาแล้วนะโยมนะวันที่อัตมมาได้กล่าวถึงเนี่ยก็คือวันที่ พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งจะมีขึ้นอีกสองวันข้างหน้านะวันนี้วันพรุ่งนี้วันจันทนะโยมนะวันจันทร์เป็นวันที่9ตรงกับวันเพ็ญเดือนสซึ่งเป็นวันมาถบูชาดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะถึงวันมาถบูชาเนี่ยก็เหมือนกับวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองราชชครื้ หรือกรุงราชครื้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคตยญาติโยมทั้งหลายคำว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยมันแปลว่าอะไรโอวาทโอวาทเนี่ยนะภาษาไทยเขานามาใช้แปลว่าโอวาทคำว่าโอวาทเนี่ยมันหมายความว่าองไรโอวาทเนี่ยมีสองอย่างหนึ่ง โอวาทคือการชี้สิ่งที่ผิดสองโอวาทคือการแนะนำสิ่งที่ถูกชี้สิ่งที่ผิดให้เรารู้แล้วก็ชี้สิ่งที่ถูกให้เราปฏิบัติตามถ้าสิ่งไหนผิดเรารู้แล้วเราก็จะได้หลีกจะได้เว้นจากสิ่งผิดนั้นสิ่งไหนถูก เราก็จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกนั้นดังนั้นคาว่าโอวาหรือโอวาทปาติโมกนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมซึ่งบอกสิ่งที่ผิดควรหลีกเลี่ยงและบอกสิ่งที่ถูกควรจเริอนตามดูหัวข้อแรกๆกดูก็ได้นะโยมนะข้อที่หนึ่งในโอวาทปาติโมกบอกว่าสัพพปาปัสสะอาการกระนัง การไม่ทำกรรมชั่วทุกอย่างหรือการไม่ทำบาปทุกทุกอย่างคำว่าการไม่ทำบาปเนี่ยนะมันมีอยู่สามทำหนึ่งทำด้วยกายสองทำด้วยวาจาแล้วก็สามทำด้วยใจคำว่าไม่ทาในที่นี้กายกับวาจาเนี่ยมันมาทีหลังใจนะ่ะมาก่อน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้นําเราจะทําอะไรด้วยกายด้วยวาจาต้องมาจากใจยกเว้นแต่สําหรับคนผู้มีสติหลงลืมเป็นคนบ้าควบคุมสติไม่อยู่อันนั้นอาจจะทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีทีนี้มาดูว่าคําว่าการไม่ทําบาปทุกอย่างในความหมายนี้เนี่ย ก็คือไม่ทำให้จิตตุ บ, บาทของเราเนี่ยเกิดเจตนาขึ้นว่าจะทำชั่วจะทำบาปงดเว้นเอาไว้ไม่ให้จิตตุ บ, บาทเกิดขึ้นมาด้วยเจตนาว่าจะทำบาปก็คือรักษาใจไว้อย่าให้คิดจะทำบาปนั่นเองเรียกว่าสัพพปาปัสสะอากาศนังถามว่าคำสอนนี้ชี้ถูกหรือชีผนะช้ผิดนะชี้ผิด บอกว่าทำบาปเนี่ยมันผิดยาทำนะทีนี้มาดูชี้ถูกบ้างแนะนำสิ่งที่ถูกบ้างก็เป็นประเด็นข้อสองกุศลสูปรสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงเมื่อขณะที่เราละบาปได้แล้วเราก็ทำความดีให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันให้ครบถ้วนในความดีทั้งหลาย ความดีในที่นี้ท่านหมายเอาการให้ทานการรักษาศีลการจังเกินสมาธิภาวนาที่พวกเรากําลังทําอยู่นี่แหละว่าเป็นความดีความดีนี้เราต้องทําให้ครบถ้วนอย่าทํานิดนิดอย่าทําหน่อยหน่อยทำให้เต็มที่ทําให้ครบองค์ประกอบของความดีนั้นๆความดีจึงจะให้ผลได้จริงๆ คำสอนนี้ชี้โทษหรือและแนะนำประโยชน์เราก็บอกได้ว่าแนะนำประโยชน์บอกสิ่งที่ดีให้ดังนั้นคำว่าโอวาทโอวาทนี่นะโยมนะจึงหมายถึงการชี้โทษและแนะนำประโยชน์ไปพร้อมๆกันท่านจึงเรียกว่าโอวาทเช่นครูบาอาจารย์โอวาทแก่ลูกศิษย์ลูกหาเจ้าอาวาทมาให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด อุปชาอาจารย์โอวาทแก่ลูกศิลูกหาิานี่ก็เรียกว่าโอวาทเมื่อไรจึงเรียกว่าโอวาทนั้นต้องเป็นคาสองอย่างก็คือหนึ่งคชี้สิ่งผิดให้เราเห็นเพื่อจะได้งดเว้นและสองชี้สิ่งที่ถูกเป็นข้อแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะได้รับประโยชน์ดังนั้นสองประเด็นนี้แหละจึงเรียกว่าโอวาดอ้าวแล้วคาว่าปาติโมกข์แลปลว่าอะไร จึงรวมกันเข้าเป็นโอวาทปาติโมกเนี่ยโอวาตใดก็ตา ม, มเมื่อชี้สิ่งผิดว่าสิ่งนี้มันผิดนะอย่าทำถ้าเรางดเว้นจากสิ่งที่ผิดนั้นก็รักษาประคับประคองตนไว้ไม่ให้ตกตา่าไม่ให้ตกไปสู่กรรมชั่วทั้งหลายไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทํากรรมและก็เมื่อเราได้ฟังว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งถูกควรทําเราก็ได้ดําเนินตามประพฤติปฏิบัติตาม จึงทำให้เราไปสู่ที่ดีๆบรรลุ ก, กรรมดีตั้งใจทำกรรมดีคำว่าปาติโมกจึงแปลว่าป้องกันไม่ให้ตกต่าโอวาทปาติโมกจึงหมายความว่าคำสั่งสอนที่ป้องกันพวกเราไม่ให้ตกสู่ที่ต่านั่นเองรวมกันเข้าจึงเป็นโอวาทปาติโมกแปลว่าคำสั่งและคำสอนที่ป้องกันเราไม่ให้ตกไปสู่ที่ต่า ดังนั้นถ้าใครปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกนี้ผู้นั้นย่อมไม่ตกต่ำแน่นอนบาปกรรมที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทชั่วแป๊บเดียวก็ไม่ได้มีดังนั้นสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพามาฟังโอวาทปาติโมกในองค์ประกอบของโอวาทปาติโมกทั้ง1 3ประเด็นมี13ประเด็นนะโยมนะโอวาธปาติโมกใน เอกสารที่ให้ไปเนี่ยมี13ประการประการที่1สัพพปาปัสสะอากัง ร, ระนังการไม่ทำบาปทุกอย่างนี่ประการที่หนึ่งนะประการที่สองกุสลสูปสัมปทาการทำความดีการทำบุญการทำกุศลให้ครบถ้วนหมายเอาตั้งแต่กัลยาณนะปูดิชน ไปจนถึงอังรหัตตมักเลยทีเดียวการทําความดีให้ครบถ้วนเนี่ยประการที่สสจิตตะปังริโยทปนังการทําจิตของตนให้ขาวสะอาดหมดจดผุดพองหมายเอาอังรหัตผลเลยทีเดียวเอตังพุทธานา ส, นสาสนสงมประการนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้3ประการแล้วนะโยมนะ ต่อไปประการที่สขันตีปังรัมังตะโปตีติคขาอันนี้เป็นโอวาทปาติโมะประการที่4แปลว่าความอดทนเป็นยังไงความอดทนก็คือความอดกลั้นเอาไว้ได้ผลเป็นอย่างไรเป็นตบะอย่างสูงสุดเวลานี้เราบำเพ็ญตบะท่านเรียกความเพียรว่าตบะนะโยมนะ ถ้าเมื่ อ, อไหร่ได้ยินคขาว่าบําเพ็ญตบะบําเพ็ญตบะนั่นคือกําลังบําเพ็ญเพียร น, นะเพียรอะไรเพียรสองประการ 1. เพียรละบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้น 2. เพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้จเกเรนมากขึ้นความเพียรสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าตบะนะโยมนะดังนั้นในขณะที่เรากําลังทำความเพียรอยู่อย่างเข้มข้นเนี่ยนะ เราอดทนได้ไหมอดทนต่อความเหนื่อยยากลําบากอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อความเย็นความร้อนอดทนต่อคําล่วงเกินที่ใครๆเขามาว่างเราได้ไหมถ้าอดทนได้ความเพียรที่เราทําอยู่นั้นจึงชื่อว่าตบะนะโยมนะเราเพียรพยายามสร้างบุญสร้างกุศลดู แต่ว่าพอมีคนเข้ามาว่าตำหนิอะไรนิดๆหน่อยๆกับทนไม่ไหวอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าตะบะเรียกว่าตาบะได้นั้นคือความเพียรพร้อมๆกับความอดทนอย่างมั่นคงนั่นเองนะอันนี้เป็นโอวาทปาติโมข้อที่สี่นะโยมนะต่อไปโอวาทปาติโมข้อที่หนิพพานังปังระมังวทันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะโยมนะตรัสว่า นิพพานเป็นธรรมขั้นสูงที่สุดในพระศาสนาโดยเฉพาะพวกเราให้ทานเราก็ตั้งความปรารถนาบรรลุผลสูงสุดก็คือนิพพานะปัจจโยโหตุเราจะพูดสั้นๆว่าอีทางโนปุญญงนิพพานะปัจจโยโหตุขอบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้จงเป็นปัจจัยแห่งนิพพาน รักษาศีลเราก็ปรารถนานิพพานจังเรินสมาธิภาวนาเราก็ปรารถนานิพพานเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าใครจะทำความดีใดๆก็ตามจุดสูงสุดที่เราปรารถนาแล้วจะได้รับผลนั้นคือนิพพานพระพุทธเจ้าทุกองค์จึงตรัสว่านิพพานเป็นธรรมขั้นสูงสุดประเสริฐที่สุดนะโยมนะ ท่านเรียกว่าเป็นบรมธรรมในความหมายนี้ก็คือปรำมังปรมังนี่แหละแปลว่าประเสริฐที่สุดสูงที่สุดหละนะโยมนะอันนี้เป็นโอวาทปาติโมข้อที่5ต่อไปโอวาทปาติโมข้อที่6ณนะิปัพชิโตปังรูประคาตีปังรูประคาตีเขาแปลว่าใครก็ตามกำลังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ นั่นิปับพชิตโตไม่เรียกว่าบรรพชิตไม่เรียกว่าผู้ได้รับบรรพชาเมื่อสักครู่นี้อตมาฟังอยู่ตอนโยมสมาทานศีลแปดศีลองค์ดที่ว่านี่แหละบอกว่างดเว้นจากการเบียดเบียนและก็คำขอเนี่ยใช้คำว่าบรรพชา บรรพชาเป็นชีพราหมณ์เป็นเนกคัมมะเป็นศีลจาริณีเป็นพราหมณ์ณีและแต่เราจะเรียกว่าว่าอย่างไรแต่การบวชของเราเนี่ยเรียกว่าบรรพชานะโยมนะการบรรพชาในภาษาศาสนาว่าโดยย่อๆแล้วมีสองอย่างด้วยกัน 1. อาคารริยวินัยผู้บรรพชาแล้วยังอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนนะโยมนะ ท่านเรียกง่ายๆว่าบวชแต่ใจแต่กายไม่ได้บวชอย่างที่สองอนาคางริยบรรพชาบรรพชาทั้งกายบรรพชาทั้งใจกายก็หนีจากบ้านจากเรือนไปใจก็มีเจตนางดเว้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งหมดบรรพชาสองอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าใครถือการบรรพชาแล้วยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ เรียกว่าไม่ใช่บรรพชาไม่ใช่บรรพชิตเบียดเบียนยังไงบางคนเบียดเบียนด้วยกายเช่นยุงบินวิวๆมาก็เงือ้อเงื้อมือจะตบจะตบนึกขึ้นมาได้อุย๊ยเรากําลังรักษาศีลอยู่การเงือ้อมืออย่างนี้นะโยมเขาเรียกว่าเบียดเบียนแล้วนะหรือบางคนไม่เงือ้อมือหรอกบนด้วยปากว่ายุงนมันมาทําไมนี่ คนอื่นตั้งเยอะตั้งแย่มก็ไม่ไปตำนะมันจะมาตอมแต่งเรานี่แหละอันนี้ก็เบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยจิตเห็นอะไรขัดเคืองขัดใจขึ้นมาจิตก็คิดเบียดเบียนไปสมดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสั่งว่าผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือด้วยใจเพียงแต่คิดเฉยเฉยก็ดีผู้นั้นแม่เรียกว่าได้รับการบรรพชานะโยมนะ ดังนั้นในระหว่างที่เราจะถือบวชอยู่3มวันสวันเนี่ยเราต้องตั้งใจให้เด็ดเดี่ย ว, แ น, วแน่วแน่เหมือนผู้ที่กำลังบาเพ็ญบางกรมีอย่าท้อถอยง่ายๆอย่าเห็นแก่ร้อนอย่าเห็นแก่หนาวอย่าเห็นแก่ทุยกยากลำบากให้ลำบากชาตินี้ก็ลลำบากไปเถอะนะอย่าลำบากเมื่อชาติหน้าเลยอันนี้เป็นโอวาทปาถิโมกข้อที่6นะโยมนะก็คือ ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าผู้ได้รับการบรรพชาต่อไปโอวาทปาติโมข้อ7นะโยมนะส ม, มโนโหติปังรังวิเหตยันโตบุคคลใดก็ตามเขาบอกว่าส ม, มโนโหติปังรังวิเหตยันโตเนี่ยผู้คุกคามผู้ทําร้ายผู้เบียดเบียนใครก็ตามที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น ข้อที่6เนี่ยมีสิ่งนั้นมากระทบกระทั่งเราก่อนเราค่อยงดเว้นส่วนข้อที่7นี้เรามีใจงดเว้นอยู่เป็นปกติงดเว้นตั้งแต่ยุงยังไม่บินมานะบอกว่าต่อให้ยุงบินมาเราก็จะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าวิเหทยันโตไม่เบียดเบียนนะถ้าใครยุงบินมาซะก่อนเราค่อยว่าจะไม่เบียดเบียนอันนั้นเป็นปังรูปคาตีนะ คำว่าปังรูปรคาตีเนี่ยก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเบียดเบียนมาถึงเรางดไว้ไม่เบียดเบียนจึงเรียกว่าปงรูปรคาตีแต่ถ้าวิเหทยันโตเนี่ยสิ่งนั้นจะมาถึงหรือไม่มาถึงก็ตามเรามีเจตนาของเราเว้นไว้ต่างหากตั้งแต่แรกว่าจะไม่เบียดเบียนต่อให้คนมาตีมาดุมาด่ม า, ดามาว่ามาก่าวเราเราก็จะรักษาจิตไม่คิดเบียดเบียนอันนี้เป็นวิเหทยันโตเป็น โอวาทาปาติโมข้อที่7ตอนนี้ได้7ข้อแล้วต่อมาข้อที่8นยมนะอนูปวาโทอนูปวาโทแปลว่าไม่พูดร้ายคำว่าไม่พูดร้ายเนี่ยไม่ใช่ด่าคนอื่นเท่านั้นนะบนอยู่คนเดียวก็เป็นคําร้ายนะิยมนะโดยเฉพาะโยมที่มีอายุสูงวัยคนแก่คนเฒ่า อยู่บ้านคนเดียวก็พูดนะโยมนะบางทีนึกถึงอะไรเบื่อไหนชิงชัง ร, รําคาญโกรธเกลียดก็พูดอยู่คนเดียวก็มีบางทีนั่งนั่งทำนู่นทํานี่นึกถึงคนมาคนเนี้ยไม่เข้าท่าเลยข่าวหน้านะถ้าเจอถฉันจะว่าให้แสบให้เจ็บเนี่ยพูดอยู่คนเดียวก็มีนะ่ะดังนั้นคำว่าคําพูดเบียดเบียนเนี่ยไม่ใช่ไปว่าคนอื่นนะ ว่าอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวก็เป็นอนุปวาโทนะโยมนะดังนั้นคำว่าอนุปวาโทท่านยิงหมายว่าไม่กล่าวร้ายคนที่ยงรักษาศีลเป็นคนไม่ว่างร้ายไม่ว่าจะว่างร้ายคนอื่นว่างร้ายตนเองหรืออยู่คนเดียวก็ว่าอยู่คนเดียวเนี่ยนะงดเว้นเลยทีเดียวไม่ว่าเลยอันนี้เป็นโอวาทปาติโมข้อที่8ต่อไปข้อที่9นะโยมนะข้อที่9้า อนุปคาโตอนุปคาโตเนี่ยไม่ทำร้ายคำว่าไม่กล่าวร้ายกับไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกันไม่ทำร้ายคือไม่ทำด้วยกายไม่ว่างร้ายคือไม่ทำด้วยวาจาบางคนไม่ทำร้ายก็หมายเข้าใจท่างสมาทานศีลก็บอกว่าไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นอันที่จริงไม่ทำร้ายตนเองก็มีนะโยมนะ การทำร้ายตนเองเนี่มีทั้งหลายแบบหลายวิธีบางคนก็หาข้าวหาของเครื่องใช้ไม้สอยที่มันเกินจำเป็นมาบริโภคมาใช้มาสอยก็เป็นการทำร้ายตนเองอย่างหนึ่งทําร้ายตนเองอย่างไงเวลาแทนที่จะมีเวลาจังเรินสมณธรรมบาเพ็ญธรรมภาคเพียรนั่งจังเรินสมาธิภาวนาแต่ไม่ได้ทำ ของใช้ที่บ้านมันเยอะตื่นมาต้องไปปัดฝุ่นเครื่องนี้ยังไม่เสร็จก็ค่ามืดซะก่อนเหลืออีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ทําตื่นมาอีกวันหนึ่งก็ไปเช็ดอันนี้วันหนึ่งก็ไปล้างอันนู้นวันหนึ่งก็ไปตัดตรงนี้วันนี้ก็ไปแต่งตรงโน้นทั้งวี่ทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะมีของบริโภคมากเกินไปอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเบียดเบียนตนนะโยมนะ ไม่ให้โอกาสไม่ให้เวลาไม่ให้ช่องว่างที่จะได้บําเพ็ญธรรมเลยมีแต่หาของใช้ของสอยมาให้ตัวเองยุ่งงุ่นงานจัดการกับมันมากเกินไปท่านก็เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตนดังนั้นคำว่าอนูปคาโตเนี่ยไม่เบียดทั้งผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองไม่ใช่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นนะ แม้ตนเองก็ไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นโอวาทปาติโมข้อที่เกต่อไปโอวาทปาติโมข้อที่สิบปาติโมเขจะสังวัตโรคําว่าปาติโมเขจะสังวัตโรนี้ถท่านแปลว่าสํารวมในพระปาติโมคําว่าปาติโมอัต ม, อมาอธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วว่ากรรำใดที่ปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้ตกต่ํา คำว่าตกต่ำในที่นี้ก็ไม่ตกไปสู่อาบายสีนั่นเองแล้วก็ประคับประคองเราให้อยู่ในที่สูงคือจงเลินด้วยบุญกรรมตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงเทวโลกพรหมโลกไปจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งใดก็ตามที่เราสารวมระวังไว้แล้วป้องกันเราไม่ให้ตกต่ำและส่งเสริมเราให้จงเินขึ้นจงเินขึ้น คำนั้นนั้นท่านเรียกว่าปาติโมกขะสังวระเรียกว่าปาติโมกเขจะสังวังโรที่ว่าเนี่ยนั้นน่โยมนะแปลว่าสำรวมในปาติโมกก็คือระมัดระวังอย่าให้ตกต่ำนั่นเองนะระวังอย่าให้ตกต่ำเป็นโอวาทปาติโมกข้อที่10ต่อไปข้อที่11มัตตัญยุตาจะพัดตัดสมิงมัตตัญยุตาจะพัดตัดสมิงเนี่ย ท่านบอกว่าการบริโภคเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์หรือของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยคือการบริโภคอาหารเสื้อผ้าไม่มีก็ไม่ตายแต่อาหารไม่มีไม่ได้กินเนี่ยตายได้นะโยมนะดังนั้นคำว่าปัจจัยที่จำเป็นที่สุด4อย่างโยมลองไล่ดูนะปัจจัยจำเป็น4อย่างเนี่ยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยยางรักษาโรค ไม่ได้กินอาหารเนี่ยตายไวกว่าอย่างอื่นไม่มีเสื้อผ้าไปอยู่ห น, น, นาวๆอาจจะตายได้แต่อยู่อุ่นๆก็ไม่ตายดังนั้นคำว่าสำรวมขออภัยรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยคือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนั่นแหละเป็นหลักสำคัญอันนี้เคยบรรยายให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราวันหนึ่งมื้อหนึ่งหนึ่งมื้อเช้า มื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ตามมื้อไหนที่เราคิดว่าเรากินอาหารมากที่สุดบางคนมากมื้อเช้าบางคนมากมื้อกลางวันบางคนมากมื้อเย็นลองนับคําข้าวของตัวเองดูซิว่ามื้อที่กินมากที่สุดอร่อยที่สุดเนี่ยกินได้สักกี่คําลองนับดูสมมุติว่ากินสัก30คํานะโอ้เยอะนะสามสิคำเนี่ยนะ กินข้าว30คําคำอิ่มจุกเลยทีนี้ต่อไปเราจะลดลดให้เหลือสัก25คําคำกะว่ากะในใจว่าถ้าเรากินต่ออีกสักสี่หาคำเนี่ยมันจะอิ่มเราก็หยุดซะแล้วก็ดื่มน้ำตามวันก็จะอิ่มพอดีพอดีอิ่มพอดีอย่างนี้กายไม่หนัก ไม่ถูกทีนะมิทะครอบงำกายเบาคล่องแคล่วเวลานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมนั่งพักผ่อนนั่งสมาธิอะไรเนี่ยนะมันเบามันคล่องแคล่วมันไม่หนักมันไม่อึง้งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่ามัตตัญญาตาจะพัตตสงให้รู้จักประมาณในการกินรู้จักประมาณในการบริโภคก็คือวิธีอย่างนี้แหละ แล้วจะทําให้ไม่ง่วงเหงาหานอนไม่อืดอาดไม่ยืดยาดไม่ต้องมาพูดว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนไม่ต้องพูดเพราะตอนนี้หนังท้องไม่ตึงกิน25คําเหลือไว้5คําไม่ต้องกินดื่มน้ําตามก็จะอิ่มพอดีพอดีถ้าคนกิน10คําอิ่มก็กิกนสัก5้าคำหกคาแล้วก็ดื่มน้ําตามมันก็พอดีพอดีนะโยมนะอันนี้เป็นโอวาทปาติโมกข้อที่สิอ นะข้อที่11ต่อไปโอวาทปาติโมข้อที่12ปันตัญจะไยนาสนังการนั่งการนอนหรือการอยู่อาศัยในเสนาสนะที่เงียบสงบสงัดคำว่าที่สงัดนี่คืออย่างนี้นะโยมนะที่นั่นนะ่ะไม่แออัดยัดเยียดอย่างโยมมาอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุเนี่ยนะที่นั่งและที่นอนเนี่ยนะ โยมลองยืดแขนออกไปดูยืดแขนไม่ทันสุดชนใครเข้าซะก่อนชื่อว่าที่มันแออัดยัดเยียดนะโยมนะก็ขยับสักนิดหนึ่งให้ห่างกันช่วงแขนหนึ่งนะเพราะเวลาเรานั่งล้วอาจจะลุกอาจจะเดินอาจจะยกแขนยกขาจะได้ไม่ไปโดนไปชนไปสกิดโดนคนอื่นเข้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราคุกคามรบกวน ไม่สงบกายไม่สงบวาจาดังนั้นเรานั่งอยู่ที่ไหนกลางแขนออกแล้วยังไม่ถึงเขาก็พอดีพอดีโดยฉเฉลี่ยฉเฉลียนะโยมนะที่นั่งของแต่ละคนละประมาณตาราง2 อ, งองตารางเมตรนะโยมนะสตารางเมตรไปซ้าย1เมตรไปขวา1เมตรพอดี2เมตรดังนั้นคนหนึ่งก็นั่งระยะประมาณ2เมตรเป็นที่นั่งที่นอนที่ไม่แออัดยัดเยียด ทำไมอัตมาจึงบอกว่าให้กลางแขนซ้ายกลางเขาะแขนขวาออกดูแลไม่ถึงคนเนื่องจากว่าอย่างนี้นะโยมนะพระไตรปิฎกได้กล่าวเอาไว้ข้อหนึ่งน่าสนใจบางทีโยมคิดไม่ถึงเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติมนุษย์นะโยมนะกว้างเท่าไหร่จะยาวเท่านั้นก็หมายความว่าคนกับต้นไทรเนี่ยมีลักษณะเดียวกันถ้าต้นไทรมันสูงเท่าไหร่ มันจะต้องแผ่กิ่งก้านออกให้กว้างเท่ากับความสูงของมันนะโยมนะมนุษย์เราก็เหมือนกันท่างเราสูงเท่าไหร่เนะี่ยแขนเราต้องยาวเท่ากับความสูงของเราเองนะโยมนะดังนั้นโยมลองไปวัดดูเลยว่าออกไป ว, วัดได้กี่เซนติเมตรแล้วยมก็วัดความสูงของตัวเองได้เท่ากันแป๊ะเลยนะโยมนะอันนี้เป็นธรรมชาติสร้างมาเสมอกันเลย พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนกับต้นไทรเนี่ยมีส่วนเหมือนกันคือสูงเท่าไหร่กว้างเท่านั้นเราวางออกเท่าไหร่นั่นก็คือเท่าความสูงของเราเองนะโยมนะดังนั้นเทียตมาบอกว่าเวลาไปบําเพ็ญปฏิบัติธรรมไปนั่งไปนอนที่ไหนก็ตามเรายื่นแขนซ้ายออกไปยื่นแขนขวาออกไปห่างกันเท่านี้เท่านี้นั่งก็ได้นอนก็ได้นะโยมนะมันไม่ชนกันแต่ถ้าชิดกันกว่านี้นั่งได้อยู่หรอก แต่นอนแล้วไม่ได้เดี๋ยวขาจะไปโดนคนอื่นเขาดังนั้นจึงบอกระยะประมาณนี้นะโยมนะประมาณนี้อันนี้จึงหมายถึงนั่งนอนในที่นั่งอันสงัดทําไมจึงให้ห่างขนาดนั้นจะได้ไม่สนใจพูดคุยกันเพราะเวลาจะกระซิบมันก็ซิบกระซิบไม่ถึงพระนั่งห่างกันไม่งั้นเดี๋ยวเวลาฟังเทศก็จะหันไปกระซิบกันอยู่เรื่อยเลยกระซิบกระซิบไม่รู้ทําไมนะเวลาไม่ฟังก็ไม่กระซิบนะจะมากระซิบเอาตอนฟังนี่แหละ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นโอวาทปาติโมข้อที่12ต่อไปข้อสุดท้ายโยมโอวาทปาติโมข้อสุดท้ายอธิจิตเตจะอายโยโคการหมันประกอบความเพียรทางจิตอันนี้เพียรทางจิตนะไม่ได้หมายเอาทางกายทางวาจานะเอาทางจิตเป็นสําคัญเลยถ้าสมมุติว่าอย่างนี้นะโยมนะถามง่ายๆ ในขณะที่โยมนั่งเนี่ยจิตมันนั่งด้วยไหมนอนลงไปจิตมันนอนด้วยไหม ย, ยืนขึ้นจิตมันยืนด้วยไหมเดินไปจิตมันเดินด้วยไหมเราจะอยู่ท่าไหนก็ตามจิตไม่มีท่าโยมเขาเรียกว่าจิตเนี่ยไม่มีท่าก็หมายความว่าจิตเนี่ยสงเคราะห์เข้าได้กับทุกอิงริยาบถนะโยมนะเราจะอยู่ในท่านั่ง เราก็จังเลินความเพียรทางจิตในท่านั่งได้เราจะอยู่ในท่านอนเราก็บำเพ็ญเพียรทางจิตในท่านอนได้เราจะเดินเราก็บำเพ็ญเพียรไปพร้อมๆกับการเดินได้เราจะยืนเราก็บำเพ็ญเพียรพร้อมๆกับความที่เรายือนอยู่นั้นได้ดังนั้นจะยืนเดินนั่งนอนก้มเงยคู่เหยียดดื่มกินพูดคิด ทำอะไระไรในจิตมันทําได้ทุกอย่างนะโยมนะดังนั้นท่านจึงบอกว่าเราจะอยู่ในงานไหนเราจะอยู่ในสังคมไหนเราจะอยู่ในเวลาไหนจะอยู่ในสถานที่ใดบนรถเดินอยู่อยู่ในตลาดฟังเขากำลังด่ากันเราบาเพ็ญเพียรทางจิตได้ทั้งนั้นเลย ดังนั้นถ้าประครับประคองกายให้มันนั่งนั่งยืนยืนเดินเดินนอนนอนตามตา ม, ตามกันให้เหมือนเหมือนกันมันทํายากเร า, เราก็ทําทางใจแทนเพราะทางใจเนี่ยไม่ต้องให้เหมือนกันนะโยมนะบําเพ็ญเทียนทางใจเนี่ยเราไม่ต้องทําให้มันเหมือนกันเพราะใจของแต่ละคนนั้นกิเลสยาบกิเลสประณีตไม่เหมือนกันอัธยาศัยต่ําอัธยาศัยสูงไม่เหมือนกัน ศรัทธาย่อหย่อนศรัทธาแก่กล้าไม่เท่ากันความเพียรมากความเพียร น, น้อยไม่เท่ากันดังนั้นการบําเพ็ญทางจิตนี่แหละคือความอิส ร, ระของใครของมันไม่ต้องมานั่งท่าให้เหมือนกันไม่ต้องมาเดินให้เหมือนกันไม่ต้องขวาพร้อมกันไม่ต้องซ้ายพร้อมกันทำจิตของใครของมันให้เป็นอิสระในการความในความรับรู้ ในการรับรู้ความเพียรในการละบาปอากุศลในการบำเพ็ญบุญกุศลได้อิสระตามกำลังศรัทธาแก่กล้าของใครของมันได้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสการบำเพ็ญเพียรทางจิตไว้ในข้อสุดท้ายะนะโยมนะโอวาทปาติโมข้อสุดท้ายนี้สําคัญเหลือเกินถ้าขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สรู้สึกว่ามันต้องจํากัด เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ข้อสุดท้ายไม่ถูกจํากัดด้วยอะไรทั้งนั้นขอให้เรามีสติระลึกรู้ขึ้นมาณเวลานั้นเราก็บําเพ็ญเพียรทางจิตได้ทันทีจะนั่งอยู่ก็ทําได้จะนอนก็ทําได้วิ่งไปก็ทําได้เห็นเขาตบเขาตีกันเห็นเขาดุเขาด่ากันเห็นเขาซื้อของเห็นเขาขึ้นรถลงรถเราทําความเพียรทางจิตของเราได้ทั้งนั้นเลย โดยสงเคราะห์อเอาว่างรูปที่เห็นทางตาก็เป็นที่ตั้งของความเพียรสิ่งที่เสียงที่ได้ยินทางหูก็เป็นที่ตั้งของความเพียรกลินที่ได้รู้ทางจมูกก็เป็นที่ตั้งของความเพียรได้เหมือนกันทั้งนั้นดังนั้นโอวาทาปาธิโมกที่นำมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัต เมื่อสรุปประเด็นของโอวาทปาติโมกมีสองอย่างเท่านั้นนะโยมนะ 1. โอวาทปาติโมกในส่วนที่ห้ามไม่ให้ตกไปสู่ที่ต่ํา 2. โอวาทปาติโมกที่ประคับประคองเราให้อยู่ในที่สูงและให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานดังนั้นโอวาทปาติโมกและองความรู้ใดที่สาธุชนทั้งหลาย ได้สดับรับฟังได้จงเรินขันอยู่อย่างสม่ำเสมอขอให้โอวาทะปิติโมกและความดีนั้นๆจงมาเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยสนับสนุนให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมคำสอนสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเถตุมมะฮังคิปเมวะสมิชตะตุสเพปุงเงตุสังกปา จันโทปนังกระโซยทามณนิโชโหติกระโซยทาสพีติโยวิวัชันตุสัพพังโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตังราโย ο, สุขีทีขายยโกภวะอภิวาธน์ศีลิสนิจังวุธาปจายโนัจตางโรธรร ม, มาวัันติ อายุวันโนสุขัง